อารามะปริเขปะอนุชาณนนะเรื่องทรงอนุญาตรั้วล้อมอารามสมัยนั้นอารามไม่มีรั้วล้อมแพะบ้างปัสสุสัตบ้างทำสิ่งที่ปลูกไว้เสียหาย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 ปฐมภานวานจบ